พใจหมตัวเองอยู่ภพภูมิไหนเป็นภพเป็นภูมิจริงๆนะเราบางคนล่นนรกไว้เรียบร้อยนะ้เซฟตัวเองอยู่ในถ้ามันมีนรกรอกการมันร้อนใช่ไหมมันน่าจะมีอะไรสักอย่างที่เป็นภพภูมิหนาวนะเห็นแต่ละคนห่อตัวนีบลี่เซฟตัวเองอยู่ในเซฟโหมดเปิดใจออกมากว้าง หลักการหนึ่งนะของการภาวนาเนี่ยเปิดใจตัวเองกว้างๆก่อนอย่าเอาอะไรไปใส่สรุปที่ท่านอาจารย์พูดมานะกระบวนการของการภาวนาเนี่ยถ้าเราหมุนเข้าเราใส่ความเพียรไปเลยใส่พลังเข้าไปเลยใส่สติใส่สมาธิใส่ความเพียรแล้วก็อย่าลืมใส่อุเบกขา <c oughs> ปัญหาของ ในช่วงเก่าเราใส่สติกับสมาธิแต่สมาธิมันเจือด้วยตัณหาทิฏฐิมันเจือด้วยความอยากเวลาเราภาวนาเราเลยบังคับกายบังคับใจเราก็ใส่เข้าไปเพื่อให้มันทะลุแต่ในสิ่งที่มันหายไปคืออุเบกขาการยอมรับเพราะการยอมรับไม่เกิดขึ้นใจเราจะแคบพอใจเราแคบเราจะจัดการเราจะบังคับเราจะเอา เราก็เลยใส่เข้าไปเต็มที่แต่สิ่งที่ได้เงื่อนไขมันไม่ครบน็อตมันเลยเกลียวไม่หวานมันเลยทะลุเข้าไปเจอความจริงไม่ค่อยได้เจอได้นิดหน่อยเจอได้นิดหน่อยแล้วก็ถอยทีนี้อีกกระบวนการหนึ่งถ้าสิ่งที่ต้องใช้คือสติสมาธิอุเบกขาคือการรู้เนื้อรู้ตัวคือความตั้งมั่น คือใจที่เปิดกว้างยอมรับลดการจัดการลงปล่อยให้ธรรมชาติแสดงตัวให้เราได้เรียนรู้ศึกษาเนี่ยธรรมชาติเนี่ยนั้นเราก็ผสมสัดส่วนให้พอดีขึ้นเรียนรู้ไอ้ส่วนที่เป็นจริงเรียนรู้ไอ้ส่วนที่มันเกินเรียนรู้ไอ้ส่วนที่มันแปลปลองเข้ามาเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นจึงเริ่มจากให้ธรรมชาติเป็นธรรมชาติง่ายๆกลา ย, ายเป็นกายเวทนาคืออาการทั้งหลายที่เกิดกับกายตามธรรมชาติของมันมีอะไรบ้าง เราเปิดใจไว้กว้างๆยังไม่รีบทํางานยังไม่รีบทําหน้าที่ยังไม่รีบแม้แต่จะรู้สึกตัวอันนี้นะไม่รีบแม้แต่รู้สึกตัวเพราะอะไรการพยายามจะรู้สึกตัวก็เป็นการพยายามเป็นการทําเป็นการเอาอะไรบางอย่างเข้ามาเป็นภา ร, ระหน้าที่ก่อนที่ความจริงเหล่านั้นจะปรากฏแต่ถ้าเราปล่อยให้ธรรมชาติทางกายปรากฏซะก่อนแล้วก็รับรู้มันรับรู้มันรับรู้มันก่อน ถ้าเริ่มจากอาการทางกายที่มันปรากฏเราจะเอาความจริงไว้ข้างหน้าแล้วก็รับรู้รับทราบการเรียนรู้การฝึกการรู้ในสเต็ปที่หนึ่งจึงกลายเป็นการรู้ต่อสภาวะของกายตามจริงที่ท่านอาจารย์เน้นย้ำเสมออันที่สองทำไมเราจึงต้องวางความคิดวางอารมณ์ที่ฝึกรู้ฝึกออกที่เป็นสเต็ปเดียวกันทําไมเราจะต้องวางความคิดวางอารมณ์วางส่วนเกินทั้งหลายลงซะบ้าง เพราะในขณะที่ธรรมชาติทางกายปรากฏอยู่ง่ายๆเนี่ยใจเรารับรู้เนี่ยมันได้แว บ, บเดียวจริงๆนะใช่ไหมแวบบเดียวแหละที่เหลือมันจะเป็นการคิดเป็นการบังคับเป็นการเพลินเป็นการเผลอเป็นการเพ่งซสาร พ, าพัดที่มันจะเป็นเกินไปจากนั้นยิ่งถ้าข้างนอกเราไม่เงียบข้างในเราไม่วางความคิดมันก็จะเข้ามาซ้อนเสียงพูดเสียงอะไรทั้งหลายในกายในใจมันจะปนกันมั่วสั่วไปหมด เราจริงต้องค่อยๆขยับขึ้นมาเงียบนอกเงียบในแล้วปล่อยให้อาการเคลื่อนอาการไว้อาการภัสสะทั้งหลายทางกายปรากฏให้บ่อยที่สุดคือคําว่าขณะ เ, เดียวสั้นๆขณะเดียวสั้นๆเราใช้ธรรมชาติที่เกิดกับกายอย่างเช่นการเดินอาการที่มันเกิดจากเท้าเราที่กระทบพื้นการนั่งการยกมือสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราเคลื่อนสิ่งที่เราไว้ อาการทั้งหลายแต่ละขณะแต่ละขณะที่เกิดขึ้นเป็นเครื่องล่อเป็นเครื่องที่อยจะแสดงสัจจะความจริงของธรรมชาติไว้เพื่อให้ใจเราเพื่อให้ตัวรู้เราสัมผัสต่อสัจจะความจริงเหล่านี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่จะเข้ามาล้มสิ่งที่จะเข้ามาแปรปลอมสิ่งที่จะเข้ามาทําให้กระบวนการนี้หายไปคือความคิดอารมณ์สัญชาตญาณสัญชาตญาณที่จะ ทำให้เราเคลื่อนตัวสัญชาตญาณที่จะทำให้เราเผลอสัญชาตญาณที่จะทำให้เรามุดหงิดฟุง้งซ่านและเป็นไปตามสิ่งเหล่านั้นที่เรียกว่าความเพลินความเผลอคือนิวรณ์ทั้งหลายมันก็จะเข้ามาแทรกซ้อนแทรกซ้อนบทบังสัจจะความจริงอันนี้หน้าที่เราคือทำอะไรเรียนรู้เราเรียนรู้สิ่งที่ถูกเราเรียนรู้สัจจะความจริงเราก็เรียนรู้สิ่งที่มันแปรปลอมเข้ามาด้วย ในนิวรณ์ทั้งหลายความคิดอารมณ์ทั้งหลายมันใหญ่โตขึ้นเพราะเหตุอะไรความเพลินความเพ้อเป็นเหตุของมันงั้นเราก็นําสิ่งนี้ออกในกระบวนการของเหตุเราแค่สร้างเหตุในกระบวนการปัจจัยประกอบเราต้องศึกษาเรียนรู้บริหารบริหารปัจจัยประกอบคืออาหารคนิวรณนทั้งหลายที่ทําให้กายกระใจสัมผัสสัจจะความจริงเหล่านี้ไม่ได้บริหารส่วนเหล่านี้เรียกว่าภาวนา เรียกว่าการทำความเพี่ยนกล้าที่จะเอาสิ่งที่ไม่ใช่กล้าที่จะเอาสิ่งที่เกินออกไปจากเหตุการณ์ปัจจุบันทำยังไงขยับเคยื่อนเคลื่อนไหวหน่อยให้กายให้ใจมันตื่นหน่อยอ่าสเต็ปที่หนึ่งสเต็ปที่สองกล้าที่จะฝืนกล้าที่จะยังไม่ทำตามกล้าที่จะยังไม่เป็นไปตามเรานั่งอยู่เราเคลื่อนไหวอยู่ความปวดความเมื่อยมีอยู่ใจมันสั่งแล้วให้เคลื่อนใจมันสั่งแล้วให้ลุก ใจมาสั่งแล้วให้เปลี่ยนเรากล้าที่จะฝืนฝืนต่อคำสั่งทั้งหมดฝืนต่อความคุ้นชินทั้งหมดฝืนต่อสิ่งที่อยากให้มันเป็นทั้งหมดฝืนเพื่อสัมผัสฝืนเพื่อเปิดพื้นที่ให้สัจจะความจริงได้แสดงบทเรียนของเขาให้เต็มที่ฝืนเพื่อที่จะให้อาการที่มันเกิดขึ้นจริงทางกายอาการที่มันเกิดขึ้นจริงทางใจได้แสดงพื้นที่และพฤติกรรมของเขาเราจะเห็นว่า กายมันก็เป็นอย่างนั้นบ่อยๆปวดเมื่อยมันก็เป็นอย่างนั้นบ่อยๆเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนตัวเดี๋ยวมันก็คลายตัวใจเดี๋ยวมันก็อยากแบบนั้นใจเดี๋ยวมันก็อยากแบบนี้เดี๋ยวมันก็สั่งแบบนั้นเดี๋ยวมันก็สั่งแบบนี้แต่ถ้าเราไม่ฝืนเราจะไม่ได้เราจะไม่ได้เรียนรู้พฤติกรรมของเขาเพราะฉะนั้นโจทย์ของการที่เราจะต้องทําเพิ่มคือการฝืนการฝืนของเราจะก่อตัวมาเป็นสมาธิคือความตั้งมั่นที่ท่านอาจารย์พูด ในกระบวนการลงมือในกระบวนการภาวนาเราต้องฝืนแต่ฝืนด้วยท่าทีไหนฝืนด้วยท่าทีไหนฝืนด้วยท่าทีแห่งการยอมรับแต่ไม่สมยอมคืออุเบกขาอันนี้เป็นศาสตร์ขั้นสูงนะศาสตร์ขั้นสูงมากๆคือศาสตร์แห่งการยอมรับศาสตร์แห่งการจัดการไม่ยากตึกทั้งตึกที่ทะลุ ข, ขึ้นไปบนฟ้าร้อยกว่าชั้นเขายังสร้างกันจีนสร้างตึกร้อยชั้นเดือนเดียว ศาสตร์ในการสร้างไม่ยากหรอกศาสตร์ในการยอมรับความจริงศาสตร์ในการยอมรับว่าธรรมชาติเป็นเช่นนี้เป็นศาสตร์ขั้นสูงมากเพราะมันจับอะไรตั้งไม่ได้เลยแต่เราต้องเปิดใจกว้างว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ยแล้วเชื่อใจในธรรมชาติว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านเดี๋ยวมันก็เป็นไปแต่เราจะให้มันเป็นไปแบบไหนให้มันเป็นไปโดยที่มันทิ้งร่องรอยทิ้งความคุ้นชินเดิมๆ เ, เอาไว้ให้มันวนกลับมาใหม่ หรือจะให้มันเป็นไปโดยการที่เราได้ศึกษาเรียนรู้กระบวนการท่านว่าเปิดใจกว้างๆแต่ไม่สมยอมการไม่สมยอมนี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าสังกัปปะคือสิ่งที่เรียกว่ามัคมัคคือช่องทางนี้คําว่าภาวนาคําว่ามัคคือการรักษาพื้นที่แห่งการรู้เนื้อรู้ตัวให้ธรรมชาติทั้งหลายเป็นธรรมชาติอยู่แบบนั้นธรรมชาติเป็นแบบนั้นไม่ได้หมายถึงว่าให้มันปวดก็อยากให้มันปวดอยู่แบบนั้นนะ ให้กระบวนการความจริงที่มันเกิดทางกายให้กระบวนการความจริงที่มันเกิดอยู่ทางใจมันมีพื้นที่ของใครของมันให้มันแสดงตัวแล้วก็ให้มันหายไปถ้ามันไม่หายไปแสดงว่าเราเข้าไปยุ่งเราเข้าไปเกินจากการยอมรับธรรมชาติทั้งหลายแล้วค่อยดูว่ามันเกิดจากอะไรใจเราเข้าไปยุ่งกับความคิดกับอารมณ์ตอนไหนความง่วงที่เกิดขึ้นมันอยู่ได้นานเพราะอะไรคือกระบวนการของเหตุปัจจัย กระบวนการภาวนามีแค่นี้แหละเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดมีอยู่แค่นี้แต่ความลึกซึ้งความเชี่ยวชาญความละเอียดอ่อนเป็นเรื่องของตัวบุคคลเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ให้เราทําความเพียรด้วยใจแบบเนี้ยให้มากขึ้นอาจจะใช้การเดินหรืออาจจะใช้การนั่งแล้วแต่วันนี้ให้เลือกคนใหม่ๆที่เป็นผู้ใหม่จริงๆไม่เคยภาวนาเลยให้ใช้พื้นที่นี้ให้ใช้พื้นที่ศาลาและบริเวณโดยรอบ คนเก่าเกที่เคยทำความเพียรมาแล้วหรือเคยทำแบบอื่นมาแล้วมั่นใจว่าผ่านนิวรณนได้อยากใช้เวลาตรงนี้ให้เต็มที่อนุญาตให้ทั่วท่เลยตรงไหนก็ได้แต่ช่วงเช้าหลังจากทานข้าวเสร็จใครเสร็จธุระก่อนมาที่นี่มาทีละคนก็ได้มาเดินอยู่บริเวณนี้แล้วก็เข้าไปทีละคนท่านอาจารย์จะสอบอารมณ์ลายตัวให้โจทย์ลายตัวเพราะว่าการภาวนานะ่ช่วงสองสามวันเป็นงานรวม เป็นงานรวมที่เป็นโจทย์รวมแต่ภาวานาะเป็นงาน handmade กว่า น, นั้นรายละเอียดของแต่ละคนคนนี้จะเบี้ยวนิดนึงคนนี้จะเกินนิดนึงเพื่อที่จะให้ทุกคนรู้ว่าตัวเองควรลดอะไรควรเพิ่มอะไรในส่วนของการบริหารปรัจจัยประกอบเพื่อการทําความเพียรที่ถูกและตรงยิ่งขึ้นใช่ไปทีละคนแล้วก็ไปฝึกซ้อมกับโจทย์เหล่านั้นให้เต็มที่แต่วันนี้เอาแบบนี้เนะาะเพราะเรามีเวลาอีกสองสามวันเท่านั้น อีกสองสับัเราจะได้ใช้เวลาในการทำความเพียรให้เต็มที่หน่อยเข้าใจตรงกันเนาะอ่ะะอาครับทุกหลังนี้จะพักพร้อมกันก็นได้ปไปเลย